ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเป็นช่วงพิสาขาบูชาพิสาขะอัตมีบูชาเกี่ยวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโบราณอาจารย์ท่านวางไว้ให้เราทำการบูชาบ้ารเรานี่ มีวิสาขาบูชาอัตมีบูชาอาสาหะบูชามาคบูชาไมมีอะไรอีกเยอะพอสมกวรที่ท่านจัดไว้ให้มีการบูชาเพราะว่าเราในฐานะคนถือพุทธศาสนาจะได้ไม่ห่างหางนเะไม่ห่างเหินจากพระพุทธเจ้าไม่ห่างเหินจากว ร, รัตนตรัย และท่านก็กำหนดพิธีกรรมขั้นตอนในการปฏิบัติในการบูชาแต่ละครั้งแต่ละวันแล้วก็ยกเอาตอนสำคัญสาคัญในเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยในทางพระศาสนานี้ มันมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นสำคัญถ้าความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีกำลังน้อยพื้นที่ของใจก็จะตูกกิเลสยุดครองเส่นเป็นส่วนมาก มีการมุ่งมั่นฝึกฝนในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนานี่ยากการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ยากอยู่ที่วิธีนะมันยากอยู่ตรงที่ว่าพื้นที่ของใจอะไรมันยึดครองถ้าเรามีพื้นที่ของใจสัก ถ้ามีอยู่สี่ไร่กิเลสมันยึดครองตีจนโนนไว้แล้วเนี่ยสักสามไร่ครึ่งเหลืออยู่ครึ่งไร่พอเป็นของธรรมะเข้าไปใช้สอยอยู่แต่ใช้สอยอยู่ในฐานะสปโกไม่ใช่นสโไม่ใช่จนโหนไม่ใช่นอโถ ส, สาม ความเลื่อมใสศรัทธาในประรัตนาจัยที่มันไม่เข้มข้นพอมันจะกลายเป็นตะปูตรึงใจเพราะว่าไอ้กิเลส ท, ที่ยึดครองใจเราอยู่เนี่ยบางครั้งบางคราวเรารู้สึกว่าเราจะต้องหันทางธรรมแล้วแหละบางทีก็เห็นตัวเองเริ่มแก่ชราขึ้นเห็นอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราก็ต้องเข้าวัดเข้าวาแล้วแหละพอคิดอย่างนี้ แต่อำนาจกิเลสที่มันยึดครองใจเราอยู่เนี่ยพอเรามาลงมือปฏิบัติลงมารักษาศีลซึ่งขัดแย้งกับนิสัยสันดานเดิมของเราหรือลงมือปฏิบัติทำเข้ามันก็จะไปกระทบกับนิสัยสันดานเดิมของเราเข้าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีความเพียรที่มีกำลังมากพอที่จะให้ขวาวันไปได้ ก็จะล่องเลิกร่างรากันไปในที่สุดก็จะหันมาปฏิบัติอีกเหมือนกันแต่เป็นการปฏิบัติสนองต่อกิเลสคือยอมไม่กิเลสมันยึดครองใจอยู่นั่นแหละแต่ก็มาปฏิบัติธรรักษาทีนเข้าวัดเข้าวาทําบุญก็เพื่อเป็นปัจจัยหนุนนําให้กิเลสมันแข็งแรงจะได้ไม่ขัดแย้งกันจะได้ไม่ขัดแย้งกันเช่นว่าเอาเพียงแค่ว่าไม่ไปนรก จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เขาว่าในวิมานนั้นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องลําบากทํามาหากินไม่ต้องค้าขายไม่ต้องกรีดยางไม่ต้องทํานาทําไร่ไม่ต้องจับปลาไม่ต้องหุงข้าวแค่นึกอะไรมันก็อิ่มแล้วโอ้อยังงี้สิดีก็หารข้าวมาปฏิบัติปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าสนับสนุนกินเลสชาติ โอกาสที่จะไปอาบายเยอะทำไมถึงบอกว่าโอกาสจะไปอาบายเยอะเพราะเราเคลื่อนไหวในการสนับสนุนกิเลสไม่ว่าจะในรูปแบบของการทาบุญก็ตามจิตใจจะอ่อนแอมันทนต่อสิ่งที่กระทบไม่ได้อะไรเป็นปัจจัยแแ่งแงความพยาบาทกระทบปุ๊บมันก็จะพยาบาทละ อะไรที่เป็นปัจจัยแห่งความอิจาริษยาพอกระทบปุ๊บมันก็จะอิจาริษยาแหละเพราะกิเลสที่ก็เป็นเจ้าเรือนยึดครองใจเราอยู่นั่นกิเลสมันจึงเป็นสองสายไ อ, ไอ้กิเลสใจเรามันจึงถูกผู้ที่ยึดครองเป็นสองสายพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมธีปะธรมรมศรนาให้มีธรรมเป็นเกาะให้มีธรรมเป็นที่พึ่งทีนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเกาะไม่มีธรรมเป็นที่พึ่ง ใจก็จะมีกิเลสเป็นเกาะกิเลสเป็นที่พึ่งอะไรอะไรมันก็เข้าทางของกิเลสกันที่ทั้งหมดเราจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมทีนี้สภาพชีวิตในความเป็นจริงแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงใช้ตัวของพระองค์เนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ จนเข้าใจแจมแจ้งเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องราวทั้งหมดและนำมาสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในตํหรับตําราไม่ได้อยู่ในดินว่าอากาศหรือไม่ได้อยู่ในที่อื่นที่หนึ่งที่ใดแต่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้ารู้ นั่งหลับตาที่ใต้ต้นประสีมหาโพธิ์แล้วจึงรู้ไปเรียนสำนักต่างๆมันเยอะแยะหลายสำนักไม่รู้พอไปนั่งหลับตาที่ใต้ต้นโพธิ์แล้วหันไปดูภายในของพระองค์เองจึงรู้อันความรู้ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าคือรู้จากภายในพระไตรของพระองค์นี่สิ่งที่พระพเจ้ารู้ในพระไตรของพระองค์นั่นแหละมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของทุกๆใจรวมทั้ง่านพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในทีนี้ เพียงแค่เราเปิดโอกาสสาหรับที่จะเรียนรู้และฝึกฝนเราก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายอมรับว่าจิตใจของเราถูกยึดครองด้วยอํานาจของกิเลสได้และกิเลสนั้นก็จะนําเราไปสู่ความทุกข์จริงกิเลสเป็นจรวดที่จะจับเราขังไว้ในอบายในนรกทําให้เราเดือดร้อนวุ่นวายจริงทําให้เราหลงผิดจริงทําให้เราไม่มีความสุขจริงมันเป็นอุปสรรคเป็นมลทิน ที่จะคอยแผดเผาจิตใจของเราให้เราร้อนร้อนรุ่มเดือดดาลคับแค้นเป็นไปในต่างๆนานาจริงถ้าเราอยอมรับอย่างนี้อํานาจของจิตที่มีกิเลสเป็นเกาะมีกิเลสเป็นที่พึ่งก็จะถูกมองเห็นโทษโดยใจของเราโดยตัวของเราเองทีนี้เราก็จะหาที่พึ่งใหม่ให้กับใจเราก็จะฝึกจิตให้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเมื่อคราวที่ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอันนัน้นเปรียบเทียบชัดเจนมีกษัตริย์จากเมืองต่างๆมายืนแวดล้อมอยู่ในมกุฏพันธนะเชดีอันเปรียบเป็นพระเมนหลวงของกรุงกุสินาราในระหว่างที่กําลังถวายพระเพลิงอยู่จนเสร็จแล้วพระบรมสารีริกธาตุหรือพระสารีริยธาตุที่เหลือจากการถูกไฟเผา ของผู้เจ้าจึงเป็นที่หมายตาหมายปองผู้ที่มายืนอยู่ในที่ชุมนุมนั้นทั้งหมดมีกระสัหลายเมืองมีแปดเมืองเป็นอย่างน้อยแล้วก็มีพวกพราหมณ์มหาสารพวกเศรษฐีพวกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีพระภิกษุซึ่งเป็นพุทธบริษัตรวมทั้งภิกษุณีอุบาสกอุบาติกาอยู่ในนั้นด้วย เรียกว่าณสถานที่ชุมนุมนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ปุตจนคนหนาโดยกิเลสมีกัลยาณจนคือผู้ที่มีกิเลสอยู่แต่มีความดีตังางศีลธรรมแล้วมีอริยชนมีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระระหันรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดลวนแต่มีเป้าหมายคือศรัทธาเคารพบูชาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะแต่ละท่านนั้นคือเห็นความจริงด้วยอํานาจพุท ธ, ธานุภาพอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นได้เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรทั้งๆ ท, ที่พระองค์นั้นเป็นปิตุคาตคือลงประชนของพระบิดาหรือพระเจ้าพิมพิสารแต่ยังนั้นกลับมาศรัทธานในพระพุทธเจ้าและรักมากและกษัตริย์แฟนอื่นๆก็เหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าภาพในขณะนั้นคือมันรักกษัตริย์ที่อยู่กรุงกุสินารานี มีความผูกพันมากแต่ว่าในความรักความศรัทธาความเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าแต่สภาพจิตใจที่มีกิเลยึดครองอยู่กำลังเบาหนาไม่เหมือนกันนั้นมันลักษัตร์ไม่ให้เพราะถือว่าพูะเจ้าต้องการมาปริพันธ์ที่แฟนของตนพระธรรยทาที่เหลือก็จะต้องเป็นของตนแต่ กษัตริย์เหล่านั้นที่มุ่งมาเพื่อที่จะขอนำพระสรีธาตุไปทำเป็นเจ ด, ดีย์บูชาที่เมืองของตนก็ต้องต้องการมากยิ่งมันษัตกาไม่ให้พวกเขาก็ยิ่งต้องการนี่พระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาพูดเองก็ไม่ได้เหลือแต่ขีเท่ากับจิตอติที่เหลืออยู่คนกำลังจะมาแย่งกัน จนกระทั่งต่างควายต่างเตรียมทหารเตรียมกำลังเตรียมอาวุธวางแผนที่จะทำการแย่งชิงจะเกิดศึกสงครามท่ามกลางส ถ, ถานาการณ์อันร้อนระอุอย่างนี้เรียกว่าเมนพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนเรื่องการดับกิเลสชาติให้เราฝึกฝนกําจัดกิเลสที่ยึดครองใจของเราออกไปเพื่อความสง บ, บสุขของจิตเพื่อความสะอาดของจิต แต่ว่าผู้คนรักศรัทธาพระองค์ในขณะนั้นเนี่ยกลับจะก่อสงครามเพื่อแย่งชิงเศษกระดูกพระเสริยธาตุของพระองค์กันนี่อำนาจของกิเลส ท, ที่มันยึดครองพื้นที่ของใจมันสามารถที่จะก่อไฟแผดเผาเราได้ตลอดเวลา ในถามกลางสถานการณ์นั้นวีร บ, บุรุษที่สำคัญในขณะนั้นชื่อโทนัพรามได้ลุกขึ้นยืนประกาศกล้องโดยเสียงกังวานเป็นที่จับจิตจับใจของทุกคนในที่นั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเราท่านทรงเป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติคุณ การที่พวกเราจะมาสัมปหานกันด้วยเหตุแห่งการแบ่งพระสรีรธาตุนั้นเป็นการไม่ดีเลยสรีอทนพภรามพูดเพื่อยกเอาธรรมะให้ทุกคนลืมออกกิเดสออกจากจิตโดยการให้จิตไปเกาะกับธรรมะก่อนเมื่อทุกคนนึกถึงเรื่องนั้นก็จริงธรรมะก็มาเกาะที่ใจของทุกคนได้ ทนนพรามจึงกล่าวว่าขอให้พวกท่านจงแบ่งพระสรีริกธาตุนี้ออกเป็นแปดส่วนเถอะแล้วไปสร้างพระสถูปเพื่อคนทั้งหลายที่มีจักกุมีความเลื่อมใสเป็นจำนวนมากได้บูชากาันทั่วทุกทิตทุกคนก็พนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างถูกวิธี เห็นจริงตามคำของพรามก็เลยแบ่งเหตุการณ์ที่กาลังจะก่อสงครามนั้นก็สงบลงมันเมื่อกิเลสมันยึดครองใจของเราเราเป็นไปในอานาจของมันมันก็จะก่อสงครามในใจเราตลอดเวลาระ อ, อุอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อใดที่ใจเรามีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งเมื่อนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นกับใจของเรา อันนี้เห็นได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนแต่ละท่านนี้ก็เหมือนกันถ้าคราใดที่กิเลสมันยึดครองใจเราอยู่มันตะวินหาอยู่เรื่อยมันตะวินหาอยู่เรื่อยไปตามกําลังการปรุงแต่งของมันแต่เมื่อใดที่ธรรมะเข้าออมาเมื่อนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้น ความเร่าร้อนความอะไรต่างๆในใจมันก็จะสงบลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัตถธิปะอัตถศรณาให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึง่งอะไรคือตนก็ธรรมธิปะธรรมสรณาให้มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึง่งในระหว่างที่ก่อนที่จ ะ, สะเสด็จดับขันธปริิพานเรียกว่าวันนั้น่ะ สเสด็จจากอานันตเจดีปาวาลเจดีแล้วก็ไปฉันอาหารของนายจุนทะในระหว่างนั้นจนกระทั่งถึงที่ปริธพานเนี่ยตรัสสอนในสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นว่าพวกเราอย่าประมาทพวกเธออย่าประมาทอย่าประมาทที่เปิดโอกาสให้กิเลสมันยึดครองจิตอยู่ต่อไปอีกเลย พระพุทธเจ้าวา่าทหาราปิท่ราปิเจวุฒาเยบาลายเยจับันฑิตาอัฏฐาเจวัทลิทธาจาสะสเพมัจจุปรายนะวาว่าภิกษุทั้งหลายเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีโง่ก็ดีฉลาดก็ตามอัฏฐาจาะลิทธาจะรวยก็ตาม จนก็าตามสัพเพมัจจุปารายนาล้วนมีความตายเป็นเป็นเบื้องหน้าเรามุ่งหาสิ่งซึ่งชื่อว่าความแตกต่างแต่เราก็ไปอยู่กับสิ่งที่แตกต่างเหล่านั้นไม่ได้ในที่สุดเราก็เป็นเหมือนกันคือมีความตายเป็นเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ายาถาปีกุมภ ก, การสักกตังมัติกาภาชนัง คุดตะตันจะมหันตันจะยันจะปักกังยันจะอามักกังกตังเพดปาปริยันตังเอวังมัจจานาชาริตังเหมือนกับหม้อดินที่ช่างหม้อทาด้วยดินเหนียวเสร็จแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างสุกบ้างดิบบ้างคือที่เผาแล้วบ้างไม่ได้เผาแล้วมั่ง กตังเพตัปป ร, ริยันตังคือล้วนแต่มีความแตกดับไอทบรร้ทั้งหมดนั้นอะสับพังเพทัปปริยันตังทั้งหมดนั้นอะมีความแตกสลายเป็นที่สุดเอวังมัจจานาชีวิตตังเหมือนกับชีวิตของพวกเรานี้ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เนี่ยพระองค์กําลังจะนิพพานนล้วนะจะดับแล้วแต่ก็สอนอย่างเนี้ยเหมือนกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายนี้ ที่ต้องมีความตายเป็นเบืองหน้ามีการแตกสลายมีการแตกถลายเป็นเบืองหน้าการคิดอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าย้ำสอนแบบนี้ก็เพื่อให้เราได้เอาใจใเป็นที่ตั้งของธรรมถ้าความโง่ความมุทะลุความไม่รู้ความหลงตนเองมันเป็นเรื่องราวที่กิเลสชาติยุดพื้นที่ของใจ เหมือนที่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ที่สำคัญว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีอันนั้นฉันมีอันนี้ฉันเป็นท่านนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกิเลสชาติแล้วก็พ right ิจารณาดูเถอะมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันด้วยเรื่องของของสมมุติ แต่ในความจริงมันเหมือนกันที่พระเจ้าว่าเอวังมัจจานาชีวิตังโยมก็ตายพระก็ตายคนที่นั่งหน้าก็ตายนั่งหลังก็ตายอยู่ซ้ายก็ตายหญิงก็ตายชายก็ตายแก่ก็ตายไม่แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเอวังมัจจานาชีวิตังไม่แตกต่างกันมันแตกต่างกันตรงสมมุติว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้โยนิโสมอนัตทการพิจารณาแบบนี้ เพื่อ่ห้เข็นว่าความแตกต่างกันเป็นเรื่องราวของกิเลสชาติที่เข้ามายึดพื้นที่ใจของเราพระเจ้าถึงให้เราคิดแบบนี้เห็นความเป็นจริงแล้วมันจะได้มีทมเป็นที่เกาะของใจมีทมเป็นที่ตั้งของใจพระองค์ตรัสต่ออีกว่าภิกษุทั้งหลายปริประโกโวโยไมหั่งเรานี่แก่หอมแล้วปริปรโกวโยไมหังวัยของเราแก่หอมแล้ว <c oughs> ปริตังชีวิตตังมะมะชีวิตของเราเหลือนิดหน่อยนิดเดียวแล้วในระหว่างนั้นนะเราแก่หอมแล้วชีวิตของเราเหลือนิดเดียวแล้วปหายะโวคามิสามิเรากําลังจะจากพวกเธอไปแล้วเจ้ากะตังเบสรณมัตโนแต่ว่าเราอ่ะ ทำที่พึ่งสำหรับตนเสร็จแล้ววกกลับมาเตือนอกีกวกกลับมาเตือนผู้ที่กำลังนั่งเศร้าอยู่ในขณะนั้นที่ติดตามกระบวนเสด็จที่ติดตามพระองค์มานั่งแวกล้อมกันอยู่ร้องโหยงร้องไห้กันอยู่นั่นนะย่าไมา่ว่าเรากำลังจะจากพวกเธอไปแล้วแต่ที่พึ่งสำหรับตนเราทำเสร็จแล้วกิจอย่างอื่นเราไม่มีแล้ว จาว่าอปะปามตตาสติอปะปาเมตตาสติมันโตสุสีลาโหถะพิกขโวอนะพิกษุทั้งหลายเธอจงอย่าประมาทจงมีสติสุสีลาโหถาพิกขาโวโจงทําศีลของตนให้ดีทําศีลของตนให้ดี โยมสมัมิงธรรมวินัยเย่อปมัตโตวิอาริสติปาหายะชาติสังสารังดุก ข, ขสันตังการิสติผู้ใดไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้คือที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนนะผู้นั้นจะละชาติสงสารทำที่สุดของทุกได้คือไม่มีตรัสอย่างอื่นละตรัสแต่เรื่องพวกนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น พอเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าใครครวรให้ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้มันจึงทำให้เราใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกเรารู้สึกว่าเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่อำนาจของกิเลสที่ยึดพื้นที่ใจของเรามันก็จะบ่งบอกใจของเราเนี่ยให้วิตก วิตกไปในเรื่องสมบัติพัตรฐานวิตกไปในเรื่องของอายุวิตกไปในเรื่องของความสุขกเวทนาต่างๆที่มันผูกยึดใจเราอยู่เยอะแยะมากมายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทจงมีสติสติมันโตนี่จงมีสติสุศีลาให้ทําศีลของตนให้ดีไอ้ตรงสติมันโตเนี่ยจงมีสติ หมายความว่าไอ้สติที่เรามีอยู่นี่แหละให้เขาตั้งขึ้นมาให้มันรู้สึกกับความเป็นจริงอย่าไปหลงว่าความคิดเป็นสตินะบางทีความนึกเราเข้าใจความนึกมาเป็นความรู้สึกตัวความนึกกับความรู้สึกไม่เหมือนกัน ความนึกจะมีปัจจัยอดีตกับปัจจัยอายนาคตเข้ามาเกี่ยวเวลาเรานึกอมันปรุงแต่งแล้วก็เป็นอดีตเป็นอนาคตไม่ใช่เรื่องของสติส่วนมากแล้วก็เป็นจารการปรุงของกิเลสใ้ความนึกแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเป็นขณะมันเป็นปัจจุบันความรู้สึกที่เกิดพระพิจเจ้าจึงบอกว่า สติมันโตให้มีสติคือให้รู้สึกในขณะนั้นตามความเป็นจริงให้ได้สุสีลาโธทพิกโกพอเรารู้สึกในความเป็นจริงนั้นในขณะในขณะเราก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลอย่างไรถ้าเป็เป็นทุตสีระยะเรียกว่ามีมนทินมีความทุศีลเป็นมนทินข้อหนึ่งก็ไม่มีข้อสองก็ไม่ได้ข้อสามก็ผิดประจําข้อสี่ก็ ไม่ต่างข้อห้าก็ยิ่งย่ำเปเรียกว่าคนพวกนี้มีทุศีลยะคือมีความทุศีลเป็นบนทินของใจจะขาดสุศีลาคือศีลของตนไม่ดีพอศีลของตนไม่ดีนี่พังพังพังแล้วเพราะฉะนั้นไอสติที่มีอยู่มันสามารถที่จะใช้ในการรักษาศีลได้ เพียงแต่มันไม่พอไม่แรงพอสำหรับที่จะทนต่อสิ่งที่กระทบอันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมาธิงพิกเวพาวตะพวกเธอจงจะเริญนสมาธิคือจงจะเริญนภาวนากันที่ให้จะเริญนภาวนาก็ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีสติแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่จงตรจัดว่าวุฒทิงวิดุนหิ่งเวปุลังจงจริญนหอกงามไพบุญก็ไม่ใช่อไร คือเรื่องราวของสติสมาธิและปัญญาทั้งนั้นดังน้นเรามานั่งสมาธิกันทาไมมาฟังธรรมมาเจริญสติกันทาไมก็เพื่อที่จะให้มีสติสมาธิและปัญญาแข็งแรงขึ้นเพิ่มพูนขึ้นสำหรับที่จะให้เขามาเป็นกำลังของใจในการที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานตรงหน้าโดยไม่เป็นทุกข์ อยู่กับการอยู่กับสิ่งที่ทำโดยไม่เป็นอกุศลให้ได้ในนี้ไอ้การไม่เป็นทุกข์กับว่าไม่ให้มันเป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นวิชาเป็นวิชาวิชาหมายความว่ามันเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะ อ, อบรมจเจริญสตินี่แหละแต่เรานั่งสมาธิกันอยู่เนี่ยเรานั่งไปเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อ ย, อยมันก็จะเกิดเป็นวิชา เหมือนที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าวิชามวยอวิชามวยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังมันอยู่ๆมันไม่ได้เป็นมวยหรอกมันฝึกเช้าขึ้นมาวิ่งสักสองกิโลกลับจากวิ่งก็กระโดดเชือกกระโดดเชือกเสร็จสิบอัพชกลมเตะกระสอบล่อเป้าทําไปเรื่อยเช้าก็ทำเย็นก็ทำเช้าก็ทำเย็นก็ทำเช้าก็ทำเย็นก็ทําพอทําไปทําไปทําไป การฝึกฝนอบรมบ่มเพาะอย่างนั้นมันจึงเกิดเป็นวิชาหมวยขึ้นมาเป็นวิชาหมวยขึ้นมามันมองไม่เห็นนะมันอยู่ทุกไหนแต่เมื่อมีใครเตะเข้ามามันบังได้เออใครชกมามันหลบได้แต่ก่อนมันไม่มีวิชามวยเนี่ยเพื่อนชกเข้ามาก็เต็มเพื่อนเตะมาก็หลบไม่เป็นกันไม่เป็นป้องไม่เป็นลุกไม่เป็นแต่วิชามวย ที่ตัวเองฝึกฝนอบรมมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวั น, ลวนกลับตกผลึกมาเป็นวิชามวยให้กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาเทียงเหมือนกันการนั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมภาวนาฟังทำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็จะตบกผลึกมาเป็นวิชาวิชาตัวนี้แหละมันจะตูอยู่ในรูปแบบของสติสมาธิและปัญญาเป็นคุณสมบัติให้กับใจของเราเมื่อมีสิ่งมากระทบปั๊บมันก็จะเป็นวิชาที่มีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมมีธรรมปรากดเหตุเองอกุศลแต่เดิมทีเนี่ยเพื่อได้ยินอะไรที่เป็นเหตุเองอกุศลเพื่อนปู่เพื่อได้ยินเพื่อนนินทานิดๆหน่อยๆนี่โอ้ปิดแต่เมื่อมันทําไปเรื่อยๆควงเทศควางธรรมนั่งสามาธิเดินจงกรมอบรมจิตฝึกฝนปฏิทัปภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยวันหนึ่งก็ได้เหตุอย่างเดิมอะไอเหตุอย่างเดิมเพือ่อนได้ยินเพื่อนนินทากันปุ๊บเอ๊ะมันเห็น มันเห็นความนินทามันมีจังหวะยืดออกมามีระยะทำไมมันไม่ปิดมันแปลกมากเออมันกลับไปเป็นตัวกลับม่เป็นตัวผลพิจารณาเกิดขึ้นเอ๊ะนี่เขาป้าเราเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เห็นไหมมันไม่เกิดอาการแผดเผาจิตขึ้นมาเพราะมันมีวิชาขึ้นมาแล้วอันนั้นแหละเป็นผลของมันในชีวิตความเป็นจริง แล้วมันทำให้เกิดการพิจารณาขึ้นมาได้ว่าเขาว่าเราอย่างนี้เราไม่ได้จริงถ้าเราจะแก้เราจะแก้อย่างไรโดยที่เขาไม่โกรธเขาไม่เป็นโทษแก้อย่างไรให้เขาดีขึ้นเออมันก็มีปัญญาออกมาทาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีวิชาออถ้าไม่มีการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างเดิมครั้งแรกหนึ่งมันก็ปิดขึ้นมาเลยนะพอได้ยินครั้งที่สองมันไม่ปิดอย่างเดียวแล้วทีนี้มันจะสวนกลับ พอสวนกลับก็ต้องมาสวนกลับเสร็จแล้วก็ดีไม่ดีนะหัวร่างข้างแตกดีไม่ดีก็แยกแตกแต ก, แตกราวแตกแยกแตกสามัคคีกันดีไม่ดีก็ขึ้นโรงขึ้นสรารติดคุกติดตารางเสียข้าโปรงกข้าปรับว่าไปเรื่อยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรุ่นตัวเองนะบางทีปู่ย่าตายายนุ่นก็ขัดใจอะไรกันไม่รู้ที่ก็แตกแยกกันมามารุ่นพ่อแม่ก็เหมือนกันก็ไม่เข้ากันเรารุ่นหลาน ก็มาแยกแบ่งแยกกันเรียกว่าผูกกันไม่ใช่ผูกเฉพาะจิตตนอย่างเดียวผูกกันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานก็มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น อ, า อ, าอานาอนาตเราเนี้ยที่พระพุทธว่าสมาธิพิกเวพาเวทะจงเจริญสมาธิกันเธอะก็ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะก็เพื่ออย่างนี้แหละมันก็จะเกิดผลปฏิบัติอย่างนี้วิชาที่เกิดที่จิตนี้ท่านก็เรียกหลายอย่างเหมือนกัน ในฐานะเหตุเช่นว่ามัจที่เราเคยได้ยินกันอืมกระแสของมัจและก็มัจเนี่ยถ้าเป็นกระแสของมัจหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเขาป้องกันอกุศลได้อกุศลหยบาบหยบอกุศลสันสายในสันดานของเราเนี่ยมันจะถูกกําจัดขัดเกลาออกไปจิตก็จะเป็นที่ตั้งของฮิริของโอตปะ กำลังพวกนี้มันมีความจาเป็นมากที่จะต้องเกิดมาในชีวิตประจำวันของในชีวิตจริงของเราถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าราฝึกฝนปฏิบัติผิดวิธีแล้วไม่เกิดวิชาและเราก็ไปจำแต่เรื่องราวต่างๆเยอะมากบางคนนั่งนั่งเสร็จแล้วก็มาคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองได้ฌานนั้นฌานนี้แต่ไม่ก่อให้เกิดการขัดเกล วิชาพวกนี้ไม่เกิดกันอกุศลไม่ได้ความละอายต่อบาปไม่เกิดหรือเกิดน้อยหรือมีกำลังน้อยพระเจ้าเลยจัดย้อนกลับไปอีกว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญา เหมือนกับถูกจับขังไว้ในนรกเอวังนิระเยนิกิตโตเหมือนถูกจับขังไว้ในนรกนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะเดินเจิงกรมหนังสมาธิหรือเราจะไปฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามถ้ากําลังพื้นฐานคือศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาไม่มีหรือมีหรือยิ่งปฏิบัติ กำลังพวกนี้ยิ่งน้อยลงเราก็เหมือนถูกจับขังไว้ในนรกจะมีลักษณะคือวิขาตังเดือดดานสะอุปยาสังคับแค้นปริลาหังเร่าร้อนเป็นต้นมันเหมือนอยู่ถูกไว้นรกแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเลยก็พลิกกลับมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราพยายาม ทำบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆมันเป็นการเปิดทางให้กับใจมีโอกาสมีทรรมเป็นที่พึ่งมีทรรมเป็นเกาะนะและเราก็ฝึกสมาธิถูกวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนถูกวิธีหมายความว่าจะฝึกอะไรก็ไนดะ้แต่ต้องอยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่ นี่ก็เรียกว่าถูกวิธีละถ้าไม่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ไม่ถูกไม่ถูกถ้าว่าไม่ถูกจะไปอ้างว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลไม่ได้เพราะในสติปัฏฐานสี่เมื่อปฏิบัติถูกวิธีตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเราเป็นผู้รู้ด้วยตัวของเราเองแน่นอนและสติปัฏฐานสี่ที่ว่านี้ มันก็คือเป็นที่ตั้งของสตินั่นเองเพื Ancient, um réussi, ่อให้สติมันเจริญขึ้นกำมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในฐานทั้งสี่สติตัวนั้นแหละเราเรียกว่าสติปฐานสติจะเริ่ขึ้นจะเรินขึ้นมีกำลังขึ้นโดยตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่สตินั้นเรียกว่าสติปฐานแต่ถ้าสติเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่ไปตั้งอยู่ในฐานไหนก็ไม่รู้ อันนั้นไม่เรียกสติปทานและสติที่จะกั้นอารมณ์อันเป็นอกุศลได้สติที่จะทํากั้นความทุกข์กั้นจิตออกจากความทุกข์ได้สติที่จะฝึกฝนอบรมให้จิตนี้อยู่เหนือจากความทุกข์ได้สตินั้นจะต้องเป็นสติปทานทั้งสีเท่านั้นนี่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นบัญญัติไม่ใช่เป็นการประกาศบัญญัติของใครแต่เป็นหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่อย่างนี้ ด้วยเหตุดังว่านี้แหละเราจึงต้องบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเพื่อพยุงจิตให้มันมีความศรัทธาตั้งมั่นไว้เมื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วฮิริคือความละอายก็จะเกิดอุตปะความเกรงกลัวตบาะก็จะเกิดความเพียรก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วปัญญาก็จะมีเพิ่มขึ้นพอเรามาเจริญสมาธินั่งวิปั้นนั่งภาวนากันแบบไหนก็ได้ในแบบแนวของสติปัฏฐานเนี่ย มันก็จะทําให้เรามีสติสมาธิและปัญญาเพิ่มกําลังขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นจิตก็จะกั้นอกุศลได้อกุศลที่เคยเกิดขึ้นสันดานของเราก็จะถูกขัดเกลว์นี่แหละมันจะถูกขัดเกลว์รักษาศีลก็ต้องมาพื้นฐานอย่างนี้ถ้ามีรักษาศีลแล้วไม่มีพื้นฐานอย่างนี้มัดเข้าไม่ถึงตัวศีลถ้าศีลที่เราเข้าไม่ถึงตัวศีลมันทําหน้าที่ของศีลไม่ได้เราก็ เป็นอะไรเป็นนกเยี่ยงนกุนทองปานาติปาตาเวรัมณีทิขาปะทังสมาธิยามิจบได้ก็เข้าใจว่าตัวเองมีศีลแล้วนะเรียกว่าเข้าไม่ถึงตัวศีลมันก็เป็นศีลนกแก้วเป็นศีลนกขนทองไปมันก็เข้าไม่ถึงมันก็ขัดเกลวไม่ได้ศีลขัดเกลว์ส่วนหยากปานาติปาตาเวรัมณีข้าพเจ้างดเว้นจากการทําปานาติบาต แล้วเราพอจบประโยคนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าเรามีศีลแล้วปัญหาต่อมาก็คือว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยการฆ่าเกิดขึ้นเราหยุดมันได้ไหมเราก็หยุดมันไม่ได้พอปานาติปาตาเวรัมณีธิกาปะทางสมาธิยามิแล้วก็ว่าตามจนจบเสร็จปุ๊บยุงบินปื้อข้างหูตบเปี้ยะลืมไปเลยว่าตัวเองผิดศีลเพราะว่ามันเป็นนกแกว้วนกขุนทอง มันเข้าไม่ถึงตัวศีลเพรเาะพระเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าสุศีลาสุศีลาสุศีลาคือทําศีลของตัวได้ดีให้ดีฟังให้ดีกับว่าทําศีลของตัวได้ดีหมายความว่าฟังให้รู้ว่าศีลห้ามว่าอย่างไรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามศีล น, นั้นเมื่อมีเหตุอันทําให้เกิดการผิดศีลเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุอันทําให้เกิดการล่วงละเมิดต่อศีล หยุดมันได้ด้วยกำลังของศีล น, นี่เรียกว่าสุศีลาคือรักษาให้ดีคำว่ารักษาให้ดีเดียวมันมีความหมายสามแบบสามชั้นหนึ่งรู้ว่าห้ามอะไรสองตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อห้ามนั้นและสามเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ระเบิดต่อศีลข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหยุดมันได้ด้วยศีล น, นั้นนี่เรียกว่าสุศีลา พระพุเจ้าพุเจ้านี่ท่านมีพระคุณอย่างนี้แหละท่านสอนไว้อย่างให้ละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราภาคเช้าอัปปมัตตาสติมันตตสุสีลาโหธะหมว่าไม่ประมาทมีสติแล้วก็ทำศีลของตัวเองให้ดีชาวนี้ครบศีลก็รับแล้วนะ ไหวการบูชาตัวพระพุทธเจ้าแล้วตัว น, นี้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าใจมีกิเลสชาติเป็นเจ้าเรือนยึดครองอยู่และเราก็ต้องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อยึดคืนพื้นที่ใจของเรากลับคืนมายึดคืนพื้นที่ใจของเรากลับคืนมาในระยะเวลาที่จากนี้ไปถึงประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ด้วยวิธีการฟังธรรมรักษาศรรีลฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่ใจของเราให้เป็นที่ตั้งของธรรมในลำดับต่อไปนี้ก็ในเวลาที่จ ะ, จะเจริญสติด้วยหลักของอาณาปานสติให้พวกเรา